Book two. 2 <28. S 3> <28. S> 2ยี äm, ่สิบปดดิอตในโรงแรมการร้องเรียนเวสเนสูจีบัสฝักบัวใช้งานไม่ได้ดุชชาในดาร์บยสไม่มีน้ำอุ่น Now, คุณมาซ่อมมันได้ไหมครับวเนวราุสลบในห้องไม่มีโทรศัพท์อสตบัพในห้องไม่มีโทรทัศน์อสตบนาทห้องไม่มีระเบียง นวบคห้องนี้เสียงดังเกินไปอสตบอิปารห้องนี้เล็กเกินไปอสตบอิปาูห้องนี้มืดเกินไปอสตบอปตมชเครื่อ ง, องทาความร้อนไม่ทางาน แอปคูเรนดารบัวยสเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานกด์สคอนดิชเนีร์สดารบัวยสโทรทัศน์ไม่ทำงานเทเลวิซอร์สดารบัวยสผมไม่ชอบเลยแตสมันเนปาติก มันแพงเกินไป par คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับตมาอีเวส์มีเบแบรคฟาสใกล้ที่นี่ไหมครับ ไว้ตตัวมาอรคาด apan sia มีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับไว้แต่ตัวมาอิรคาดส์รีสอร์ทั